พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่24สุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายทัสกานิบาทชุมนุมธรรมะที่มี10ข้อตติยปัญ น, นาตหมวด50ที่3วรที่1สมณะสัญญาวักว่าด้วยความกำหนดหมายถึงความเป็นสมณนะตรัสว่าจเจริญสมณะสัญญา3ประการแล้ว ยอมทมธรรมะเจ็ดอย่างให้บริบูรณ์สมณสัญญาสามประการคือเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วชีวิตเราเนื่องด้วยผู้อื่นยังมีกิริยาอาการที่ดีงามที่จะพึงทาอีกธรรมะเจ็ดอย่างคือทาติดต่อประพฤติติดต่อในศีลไม่โลภไม่พยาบาทไม่ดูหมิ่นท่านใครการศึกษา พิจารณาเห็นประโยชน์ในบริคารแห่งชีวิตคือพิจารณาเห็นประโยชน์ของปัจจัยสี่ไม่ฟุ่มเฟือยอื่นๆและข้อสุดท้ายปรารบความเพียรตรัสว่าเจริญโพชงเจ็ดแล้วย่อมทำวิชาสามได้แก่ระลึกชาติได้ทิพยาจักษุและทำอาสวะให้สิ้น ตรัสแสดงมิจฉา ต, ตคือความเห็นผิดสิบประการมีความเห็นผิดเป็นต้นว่าเป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดและตรัสสัมมาสัมมัญตคือความเห็นถูกสิบประการว่าเป็นเหตุให้เกิดความสมบูรณ์ตรัสเปรียบทิฏฐิชั่วว่าเหมือนพืชที่ขมทิฏฐิที่ททดีเหมือนพืชที่หวาน ตรัสว่าอาวิชชาเป็นหัวหน้าที่ให้เข้าสู่อกุศลธรรมความไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปเป็นของตามหลังมาเมื่อมีอวิชชาก็มีความเห็นผิดจนถึงความหลุดพ้นผิดฝ่ายดีทรงแสดงวิชาในทางตรงกันข้ามตรัสแสดงถึงสิ่งที่ขจัดความผิด คือนิชระวัตถุสิบประการได้แก่สัมมันตะฝ่ายถูกและขจัดมิช ต, ตะฝ่ายผิดสิบประการตรัสว่าในทักษิณชนบทคือชนบทภายใต้มีประเพณีชื่อโทวณนะอัตถกถาว่าคือการจำระล้างโดยวิธีเอาศพฝังแล้วทำพิธีล้างกระดูกบูชาด้วยเครื่องหอม ร้องไห้คร่ำครวญเล่นนักสัตว์ตรัสว่าการชำระล้างแบบนั้นไม่ทำให้พ้นจากความเกิดแก่ตายได้ตรัสถึงการชำระล้างความเห็นผิดเป็นต้นจนถึงความหลุดพ้นผิดว่าเป็นไปเพื่อนิพพานตรัสถึงการถ่ายยาของหมอว่าเพื่อบาบัดอาพาธมีดีบ้างเสมหะบ้างลมบ้างเป็นสมุดฐาน แล้วตรัสถึงการถ่ายยาแบบอริยะคือถ่ายความเห็นผิดจนถึงความหลุดพ้นผิดออกไปตรัสแสดงการใช้ยาให้อาเจียนของหมอทำนองเดียวกันกับเรื่องถ่ายยาตรัสถึงธรรมะที่ควรสูบออกสิประการมีความเห็นผิดเป็นต้นตรัสเรื่องอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษา หมายถึงอยู่จบโรมะจันไม่มีกิจต้องทำอีกต่อไปซึ่งก็คือพระอาหารหันตรัดเรื่องอเสขะและอเสคยธรรมธรรมะของผู้ไม่ต้องศึกษาโดยแสดงความเห็นชอบอันเป็นอเสขะเป็นต้นวักที่สองปันโจโรหานิวักว่าด้วยการก้าวลงจากบาป ตรแสดงมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นว่าเป็นอาธรรมเป็นอนัต t h คือไม่ใช่ประโยชน์และตรัสถึงสมาทิฏฐิเป็นต้นตรงกันข้ามแล้วตรัสต่อไปว่าธรรมะเหล่านั้นเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลธรรมและอกุศลธรรมอื่นๆพระอานนอนอธิบายเรื่องอาธรรมและธรรมกับเรื่องอนัต t h และอะัฏฐะแก่ภิกษุทั้งหลาย ในธรรมนองที่พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายแล้วและพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแสดงสัมมันตะคือธรรมะฝ่ายดีสิบมิชิตตะธรรมะฝ่ายชั่วสิบยักย้ายในอีกหลายประการวักที่สามาริสุทธิวที่วักว่าด้วยความบริสุทธิ์วัคที่สสาธุวักว่าด้วยสิ่งที่ดี วรที่หาอริยมักวักว่าด้วยอริยมักในวรทั้งสามวคนี้ก็ตรัสแสดงเรื่องเห็นผิดชอบเป็นต้นเช่นเดียวกันอันหนึง่งเพื่อช่วยความจําขอกล่าวถึงรายละเอียดของฝ่ายผิดส0บข้อไว้ในที่นี้อีกครั้งหนึ่งคือเห็นผิดดําริผิดเจรจาผิดกระทาผิดเลี้ยงชีวิตผิดพยายามผิด ระลึกผิดตั้งใจมั่นผิดรู้ผิดผ้นผิดฝ่ายดีหรือฝ่ายชอบคือที่ตรงกันข้ามจตุตถะปรนณาตหมวดห0สิบที่สี่วรที่หนึ่งปุคละวรว่าด้วยบุคคลตรัสแสดงบุคคลที่ประกอบด้วยธรรมะสิบประการ มีความเห็นผิดเป็นต้นว่าไม่ควรสองเสบต่อประกอบด้วยความเห็นชอบเป็นต้นจึงควรสองเสบวักที่สองชานุสัสนิวักว่าด้วยชานุสัสนิพรามตรัสแสดงธรรมแก่ชานุสัสนิพรมถึงเรื่องปัญโจโรหนีคือการข้ามลงหรือก้าวลงจากบาปตามคติแห่งพระพุทธศาสนา คือชานุสัโธนิพามเล่าถึงพิธีปัญโจโรหณนีของพราหม์เมื่อถึงวันอุโบสถพราหมจ์จะสนานศีรษะนุ่งห่มผ้าเหลือกไม้ใหม่ฉาบแผ่นดินด้วยมูลโคสดปูลาดด้วยยญ้าคาสดแล้วนอนระหว่างกองทรายกับโรงบูชาไฟและลุกขึ้นทำอัญชลีไฟสามครั้งในราตรีนั้นก่อนกล่าวว่าปัญโจโรหมะพวันตังสองครั้ง แล้วว่าข้าพเจ้าข้ามลงหรือก้าวลงสู่ท่านผู้เจริญเอาเนยใสยน้ำมันเนยข้นมากมายใส่ลงในไฟนี่แหละเป็นพิธีปันโจโรหณีของพรามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิธีปัญโจโรหนีในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการก้าวลงจากอากุศลกรรมบทสิประการ มีค่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นมีความเห็นผิดเป็นที่สุดชานุสโสนิพรหมก็เลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตอันหนึ่งในวักนี้ตรัสแสดงการเว้นจากอากุศ ล, ลกรรมบทสิบโดยในต่างๆกันตลอดเรื่องมีพาสิทธิ์ของพระมหากัจจานะเทระแทรกอยู่แห่งเดียว แต่ก็เป็นการขยายความแห่งพระพุทธภาษิตโดยอาศัยหลักอกุศลกรรมบทและมีพระพุทธภาษิตตรัสแก่นายจุนทะกรร ม, มระบุเรื่องความไม่สะอาดทางกายวาจาใจโดยแสดงอกุศลกรรมบทและกุศลกรรมบทสิประการถ้าประพฤติชั่วแล้วจะลุกขึ้นจากที่นอนลูกคลาแผ่นดินหรือไม่ จะลูกคลา ม, มูลโคสดหรือไม่จะลูกคลำหญ้าสดหรือไม่จะบำเรอไฟหรือไม่จะทำอัญชลีดวงอาทิตย์หรือไม่จะลงอาบน้ำวันละสามเวลาโดยมีเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามหรือไม่ก็ไม่สะอาดทั้งนั้นถ้าประพฤติดีแล้วจะทำอย่างนั้นหรือไม่ก็ชื่อว่าสะอาดทั้งนั้นเรื่องนี้เป็นการค้านลทัทิราม โดยชีย้ความสําคัญไปที่ความประพฤติไม่ใช่สะอาดหรือไม่สะอาดเพราะทำเครสต่างๆวักที่สาสุนทรวักว่าด้วยสิ่งที่ดีวักที่สเศษรษฐวรคว่าด้วยสิ่งที่ประเสริฐวัคที่หเสวิฐตภาเสวิฐตภวัก ว่าด้วยบุคคลที่ควรซ่องเสพและไม่ควรซ่องเสพในสามวันี้ก็เป็นการแสดงเรื่องอกุศลกรรมมาบดและกุศลกรรมบดยักย้ายในสลับกันไปและเพื่อช่วยทบทวนความจําขอกล่าวซ้ําถึงอกุศลกรรมมาบดได้แก่กายทุจริตสาคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมวจีทุจริตสี่พูดปด พูดส่อเสียดคือยุให้แตกร้าวกันพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อและสุดท้ายมโนทุจริตสามได้แก่โลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากคลองทร ร, รวมเป็นอกุศ ล, ลกรรมมบทคือธรรมะฝ่ายชั่วสิบส่วนฝ่ายดีคือกุศลกรรมมบทหรือทางแห่งกรรมอันเป็นกุศล พึงทราบโดยในตรงกันข้ามปัญจมะปัญนาฏหมวดห0สิบที่ห้าเนื้อหาส่วนใหญ่สำหรับหมวดนี้กล่าวถึงเรื่องอากุศลกรรมมบทและกุศลกรรมมบทมิจฉัตตะและสัมมันตะคือความเป็นผิดและความเป็นถูกมีเห็นผิดเห็นชอบเป็นต้น และสัญญาหรือความกําหนดหมาย10ประการเป็นต้นมีข้อน่าสังเกตคือในวรรคที่สองแสดงถึงบุคคลว่าจะตกนรกเหมือนถูกนําไปวางไว้เมื่อประกอบด้วยธรรมะ10บประการมีฆ่าสัตว์เป็นต้นประกอบด้วยธรรมะ20ประการคือทําด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นเพื่อฆ่าสัตว์เป็นต้น ประกอบด้วยธรรมะ30สบประการคือทําด้วยตนเองชักชวนผู้อื่นและมีความยินดีในอกุศลกรรมมบทสิบนั้นประกอบด้วยธรรมะ40สบประการคือทําเองชักชวนผู้อื่นยินดีและกล่าวสรรเสริญอกุศลกรรมมบทสิบนั้นสําหรับฝ่ายดีคือที่ตรงกันข้าม เอกาทสกานิบาทชุมนุมธรรมะที่มีส1อข้อในหมวดนี้ไม่มีหมวดห้าสิบเริ่มต้นก็ขึ้นวร์กที่หนึ่งชื่อนิสายวร์ว่าด้วยสิ่งที่อาศัยกันวร์ที่สองไม่มีชื่อต่อจากนั้นก็กล่าวถึงพระสูตรที่ไม่จัดเข้าในหมวดห0บตรัสแสดงอานิสงส์ของศีลแก่พระอานนว่า เป็นปัจจัยของกันและกันเป็นข้อๆต่อๆกันไปรวมสิบข้อและนับเป็นสิบเอ็ดคือทั้งตัวศีลเองได้แก่ความไม่เดือดร้อนความบันเทิงความอิ่มใจความระงับความสุขสมาธิความรู้ตามเป็นจริงความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดและความเห็นยาณว่าหลุดพ้น พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายโดยในเดียวกันเนื้อหาที่เหลือของบทนี้นอกนั้นแสดงธรรมะธรนองเดียวกับหมวด10บหลายข้อเป็นแต่เพิ่มข้อปลีกย่อยขึ้นอีกหนึ่งจึงเป็น11อดข้อในข้อสุดท้ายตรัสแสดงการที่ภิกษุชื่อว่ามีความสำเร็จล่วงส่วนอยู่จบพรมจรรย์เพราะอาศัยธรรมะสามข้อ รวมสประการอาศัยธรรมะสองข้ออีกหนึ่งประการรวมเป็น11ข้อธรรมะสมข้อประการที่หนึ่งคือศีลสมาธิปัญญาธรรมะสามข้อประการที่สองคือแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ถ่ายใจได้เป็นอัศจรรย์สั่งสอนได้เป็นอัศจรรย์ธรรมะสมข้อประการที่สาม คือความเห็นชอบความรู้ชอบความพ้นชอบธรรมะสองข้อคือวิชาวความรู้และเจรณะความประพฤติตรัสแสดงธรรมะแกะมหานามสาสกยะเรื่องวิหารธรรมคือธรรมะอันควรเป็นที่อยู่แห่งจิต5ข้อคือศรัทธาความเพียรสติสมาธิและปัญญา และเจริญธรรมะที่ยิ่งขึ้นไปอีกหกคือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรล์จาคะหรือการสละและสุดท้ายเทวดาเฉพาะข้อเทวดาหมายถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาคือศรัทธาศรล์สุตตะจาคะและปัญญาตรัสแสดงธรรมแก่นันทยะสกะักยะทำนองเดียวกับมหานามสากักยะ เป็นตัดแสดงวิหารธรรมหกโดยเพิ่มศีลอีกหนึ่งข้อและแสดงธรรมะที่ควรระลึกหคือพระพุทธพระธรรมกัลยาณมิตรจาคะและเทวดาตรัสแสดงธรรมแก่พระสูภูติถึงศัทธาประทานคือลักษณะของศรัทธาของกุลบุตรผู้ออกบวช11ออย่างได้แก่มีศีลสะดับมาก คบเพื่อนดีงามว่าง่ายช่วยทาทุระของเพื่อนปรมจารีใครธรรมะปรารบความเพียนประลึกชาติได้ได้ทิพยะจักษุทำให้แจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันไม่มีอาสวะหรือทำอาสวะให้สิน้นตรัสแสดงอานิสงค์ของเมตตาเจโตวิมุตหมายถึงเมตตาที่เป็นฌาน รวมส1อ็ดประการคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เทวดาย่อมรักษาไฟยาพิษสัตรา์าไม่กล้ามกรายจิตเป็นสมาธิได้เร็วผิวหน้าผ่องใสไม่หลงตายถ้าไม่ได้บรรลุธรรมอันยิ่งขึ้นไปก็จะเข้าสู่พรหมโลกเมื่อตายไปแล้ว ถ้าสมะเขารหาบดีชาวเมืองอัฏฐกะถามพระอานนท์ถึงธรรมะข้อเดียวที่ภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรไม่ประมาทในธรรมะนั้นแล้วจะสิ้นอาสวะได้ท่านแสดงการเจริญฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่การเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เป็นเจโตวิมุตตหมายถึงที่เป็นฌานการเจริญอรูปฌานที่หนึ่ง ถึงที่สารวมสอดข้อว่าเพียงเจริญข้อใดข้อหนึ่งแล้วรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาก็อาจสิ้นอาสวะได้หรือถ้าไม่สิ้นอาสวะก็จะเป็นพระอนาคามีพึงสังเกตว่าบำเพ็ญฌานแล้วกลับพิจารณาฌานทั้ง 11, อข้อนั้นว่าไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดา อันเป็นวิธีของวิปัสสนาก็บรรลุความสิ้นอาสวะได้ทัสมะคะหาบดีพอใจกล่าวว่าเหมือนสแสวงหาป่าคุ้มรัพย์แห่งเดียวแต่ได้พบถึง11อแห่งตรัสแสดงการขาดและการประกอบด้วยคุณสมบัติของคนเลี้ยงโคฝ่ายละ11อดข้อเทียบธรรมะ รายละเอียดเหมือนที่ตรัสไว้แล้วในมหาโคปาลสูตรตรัสแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงการได้สมาธิที่ไม่ต้องมีความกำหนดหมายในสิ่งต่าง11ข้อว่าเป็นสิ่งนั้นแต่ก็ยังมีสัญญาอยู่ได้คือ1ถึง4ได้แก่ธาตุสีข้อ5ถึง8ได้แก่อรูปฌานสีข้อ9 โลกนี้10โลกหน้า11อสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้พระสูตรนอกหมวดห0สบตรัสแสดงการขาดคุณสมบัติและการประกอบด้วยคุณสมบัติ11ประการของคนเลี้ยงโคเทียบธรรมะโดยตรัสย้ายในทางธรรมะ คือพิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนสิ้นไปเสื่อมไปความคลายกำหนัดความดับความสละในอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาสัญญาเจตนาตันหาวิตกวิจารซึ่งเป็นไปทางทวารหกมีตาเป็นต้น ตรัสว่าควรเจริญธรรมะ11อ็ดอย่างคือรูปปันรสีรมวิหารที่เป็นเจโตวิมุตตสมีเมตตาเป็นต้นอรูประชาันที่หนึ 3, ่งถึงสรวมทั้งหมดเป็น11เอเพื่อละอุปกิเลส16มีราคะเป็นต้นจบพระตรัรยปิดกฉบับประชาชนเล่มที่24 อันว่าด้วยชุมนุมธรรมะที่มี10ข้อและ11ข้อ